วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะสัปดาเราก็ได้มาสมบัติศีลตักบาตร ท, ทาบุญฟังธรรมในเวลาที่เรามีโอกาสเวลาเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งทีเราก็มีหน้าที่การงานของเรานะทั้งตลอดสัปดาห์เนี่ยนะการทำการงาน เราก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรแต่เราก็ยังมีความตั้งใจอยู่ว่าในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมาสร้างความดีในจิตใจของเราหรือว่าเข้าวัดการเข้าวัดนั้นก็มีในสองลักษณะการเข้าวัดมาในวัดปฏิบัติหรือเข้ามาในวัดแล้วก็เข้ามาปฏิบัติ ภาวนาทั้งเป็นวัดภายนอกด้วยทั้งเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติภายในด้วยหรือว่าเราเมื่อมีโอกาสที่มาวัดเราก็มาเมื่อไม่มีโอกาสนั้นเราก็ทําใจของเราให้มีข้อวัดปฏิบัตินอยู่ที่ไหนก็ได้สร้างกุญงามความดีเอาไว้ในใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะใจนี้เป็นใหญ่ ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างนั้นก็จะสาเร็จแล้วก็ต้องด้วยใจตรงนี้เพราะใจตรงนี้เนี่ยทาไมจึงยึดว่านี่เป็นเรานี่คือของเรานี่ตัวตนเราอันนั้นตัวตนเขาเราเป็นนั่นเป็นนี่แท้ที่จริงก็อยู่ที่ความยึดถือนี ไม่มีผู้หญิงหรือไม่มีผู้ชายถ้าจิตของเรานิ่งสงบเป็นสมาธิในขณะใดในขณะนั้นความรู้สึกของตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีเราเป็นฆราวาสเราเป็นพระเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรไม่มีอันนั้นเป็นจิตที่สงบเข้ามา จึงจะต้องฝึกจิตกันว่าให้มีความสงบจะไม่มีการแบ่งแยกเป็นเราหรือเป็นเขาต่างๆสิ่งที่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นความหลงนะถ้าตามเหตุตามปัจจัยก็ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วใน จ, จิตใจของเราตรงนี้แหละแต่แล้วก็จะตามแก้มไม่ได้แล้ว มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เอาวิชาธนาประานที่มันเกิดมานานจนมาถึงชาตินี้ไม่ใค่เราเกิดมาว่าเป็นตัวเราของเรานะสรรพคลเราเขาอยู่อย่างเงี้ยนะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าเกิดขึ้นก็ตรงที่มีอารมณ์นี่นะเมื่อเรามีความคิดขึ้นมา ตาเห็นรูปแล้วก็จิตมีความรู้สึกกระปุงแต่งก็ให้เรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้เมื่อเราเห็นรูปแล้วเราชอบใจเราไม่ชอบใจนะ้วก็พิจารณาตรงนี้แหละชอบใจก็ไม่เถียงไม่ชอบใจก็ไม่เถียงวางกิจของเราตรงกลางๆตรงนี้ก็คือไม่มีเรา จิตของทุกดวงเนี่ยไม่ว่าอยู่ในเพศใดก็มีความหลงทั้งนั้นนะความหลงเหมือนกันเสมอกันไม่แตกต่างกันอะไรก็นะไม่ว่าเป็นผ้าเป็นโยมถ้ายังไม่ปฏิบัติละ ก, กิเลสแล้วก็เหมือนกันอีกแต่ถ้ามาปฏิบัติละ ก, กิเลสได้ก็จะต่างกันตรงนี้พอจิตที่ละ ก, กิเลสแล้วมันก็มีความขาวมีความสะอาดขึ้นมา ผ่องใสขึ้นเราจะดูในสิ่งภายนอกเอามาเปรียบเทียบก็ไม่ได้่ามีสิ่งภายนอกแล้วจะให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขก็ไม่ใชนะ่เราต้องหาสิ่งภายในคือทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ภายในของเรานะทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือศรัทธ า, าก่อน ศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสในพระเจ้าพระธรรมประสงค์นี้อันนี้เราก็มีกันอยู่นันเรามีศรัทธาความเชื่อความเรื่อมใสอันนี้ความเชื่อความเริ่อมใสนี้เนี่ยมันจะหมดไปได้ไหมในเบื้องต้นแล้วความเชื่อความเรื่อมใสเนี่ยถ้าจิตถูกพรวิชาธนาอุปทานครอบงำไปมากๆเขามันก็ถอยไปได้ ศรัทธามันจะถอยไปได้นี่สำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาสหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วศรัทนธะาที่ตั้งมั่นเป็นอาจารจลศรัทธาคือศรัทธาที่มีความไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีแล้วเกิรู้จักละมีปัญญาเพาในเบื้องต้นชาวพุทธของเราก็มีศรัทธาด้วยกันนะแต่เมื่อเรามาปฏิบตัติอาจจะไม่เห็นผลเนี่ย ของการปฏิบัติมันก็จะถอยลงไปได้เพราะอะไรเพราะวาอวิชชาตัณหาอุปทานนี่มันมีกําลังมากขึ้นมันกระหมบางกิตของเราจิตของเราก็รู้สึกขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งมีความเห็นเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างหนึ่งคิดไปอีกอย่างหนึ่งตามอํานาจของกิเลสตัณหามันแต่เมื่อเราพยายามเพียรพยายามหรือมีความอดทนไว้เพียรพยายาม นะพิจารณาอีกม่มีความเพียรมีความพยายามนะพิจารณาหรือปฏิบัติอาศัยมีความเชื่อแล้วพระพุทธโทรธธรรัมโมสังโฆนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเหมาะแก่ผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ส่วนมากเราก็มีใ จ, ใจเริ่มใส่อยู่แล้ว เอาเป็นองค์คำบริกรรมภาวนาไว้นะก็คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ภาวนาพุโทโธธรทมโมสังโฆไว้นะตั้งใจไว้แล้วไม่เปลี่ยนกรรมฐานเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆจิตมันก็ไม่สงบท่านยกตัวอย่างว่าเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นสัก7วันเราก็ถอนมาดูว่ารากมันโตหรื อ, อยัง ทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าต้นไม้ก็าตายกรรมฐานของเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่เจริญนะเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่ากรรมฐานพุโทโธธรมโมสังโฆเนี่ยนะถ้าเราบริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบอาจจะเรคําว่าพุโทโธอย่างเดียวนจิตของเราสงบขึ้นมาได้ น้ำไม่ต้องสงสัยที่แรกเราก็มีศรัทธาน้อมใจเชื่อไปก่อนเมื่อเราทำไปมากมากขึ้นจิตสงบขึ้นมาเป็นสมาธินราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมานั้นได้ผลน่ะได้ผลในเบื้องต้นก็เป็นธรรมาดาวา่าเมื่อไม่ได้ผลแล้วมันก็จิตใจมันก็ถดถอยไปคิดปรุงแต่งไป ในชีวิตนี้เราจะรักษาสิน5้าได้ไหมนะสิน8ได้ไหมหรือบวชเป็นพระแล้ว227รเราจะรักษาได้ไหมมันก็เป็นธรรมดาทดถอยไปนะแต่เมื่อเราอดทนไว้เพียรพยายามอีกมันสร้างความดีอีกมันทำบุญทำกุศลอีก โดยเฉพาะบุญเกิดจากการภาวนานี้นะเราก็ต้องทำให้มากขึ้นเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะว่าเราจะได้เห็นธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะต้องจิตที่มีความสงบหรือในขณะที่เราฟังเทศอยู่นี่แหละจิตใจของเราก็อย่าว่าแวกส่งไปที่อื่นนะให้ฟังเสียงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปในโสตประสาทเราจะจาได้จาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ตั้งกิตไว้นิ่งถ้าวาสนาบา ร, รมีของเราเต็มก็อาจจะรู้ทมเห็นรมขึ้นมาได้เห็นสิ่งที่สมมติว่าเป็นเราของเราจิตเห็นว่าเป็นไม่สมดหลุดพ้นไปได้เลยว่ามันไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราหรือไม่มีของเร า, าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้เพรน้เราต้องเพียรพยายามเอาจิตให้นิ่งเอาละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน เราถวายชีวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงที่เราเคารพสูงสุดเอาในชาตินี้เราจะปฏิบัติสักหนึ่งชาติจะเจริญบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยธรรมโมสังโฆหรือพุทโธคำเดียวเนี่ยให้สงบให้ได้ถ้าชาตินี้ไม่สงบแต่เราบริกรรมพุทโธเอาไว้อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องว่าชาติหน้าเราจะต้องสงบเราจะต้องสาเร็จ ไม่ ช, ชาดไดก็ชาติหนึ่งนะมุ่งมั่นเอาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงไม่โลเลในการปฏิบัติแล้วความสงบต้องเกิดขึ้นไม่ต้องรอทางชาตาิชาตินี้ต้องได้นะสงบขึ้นมาอย่าต่อมาเองก็พูดถึงว่าโลเลไหมก่อนนิสัสของกิเลสนี่มันจะโลเลเหมือนกันหมดแล้ ไปอยู่กับหลวงปู่ชาอยากให้ท่านบอกว่ากรรมฐานบทไหนถูกกัจจเิตของเราเราเจะภาวนาให้มากๆในกรรมฐานบทนั้นแต่หลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้บอกท่านก็พูดด้วยปัญญาท่านบอกอยู่ด้วยปัญญาเราบริกรรมแล้วเราชอบใจไหมออรู้สึกจกิตของเรามันดุดเดือมไหมชอบใจเราก็บริกรรมขึ้นมาในบทนั้น จะเป็นความตายมรณงมรณงหรือพุโทโธนะถ้าเรานั่งกระโดรมหายใจเข้าออกบริกรรมพุโทโธกำกับไปด้วยท่านก็สอนเป็นกลางๆสอนแบบให้เกิดปัญญาเป็นกลางๆถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามท่านจริงๆ ก, ก็สงบขึ้นมาอย่างธรรมาเองนี่พิจารณาในเบื้องต้น ก็พิจารณาในกรรมฐานเรียกว่ามรณานุสติความตายเป็นอารมณ์ก็มาได้คําบริกรมมมรมว่ามรณงมรณังลแต่คิดมันก็ไปชีวิตของเรานี่มันเดินก็ไปสู่ความตายทุกก้าวทำความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับว่าที่โรงค่าสัตนะว์นานวัวมันเดินเข้าไปทุกก้าวมันก็ใกล้เข้าไปสู่ความตายแล้วก็ทาอารมณ์อย่างนั้น ว่าชีวิตมันกำลังจะตายะ ใ, ใกล้ความตายเข้ามาทุกขณะว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจิตจะสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เมื่อจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วด้วยอารมณ์กรรมฐานบริกรรมภาวนาะ ทำบริกรรมภาวนาก็จะหายไปคําว่ามรณงก็ดีพุทโทธรรมโมสังกูจะหายไปจิตสงบมีปิติมีความสุขมีความอิ่มใจเบิกบานใจนีอันนี้เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดขึ้นมาถ้าผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมากับเราได้มากขึ้นความเพียรเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตามระดับ นะแต่ในเบื้องต้นมันต้องอาศัยการบังคับเเหมือนพวกเราไม่มีรูกไปหลา น, นั่นแหละเห็นไหมเด็กๆถ้าเราปล่อยให้เด็กทําตามสบายเลยเด็กอยากจะเรียนหนังสือก็ไปเรียนไม่อยากไปก็ไม่ให้ไปอยากทําอะไรก็ปล่อยไปนะเด็กก็คงเกี่ยวไม่มีสติปัญญากลายเป็นเด็กที่เป็นอนาถาไปล้มีพ่อแม่อยู่ผู้ปกครองก็เหมือนไม่มีแล้วเพราะว่า เขาทำตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละอะไรที่ชอบใจเขาก็ทำสิ่งนั้นไปโรงเรียนไม่ชอบใจก็ไม่ไปทำมีเล่นเกมเล่นอะไรสนุกก็ทำสิ่งนั้นก็ไม่มีความเจริญนี่ ไ, ไมแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะอันตรายด้วยตกน้ำตกบอ่อตกของน้องลองบึงไปได้อุม้มประวัติจิตนั้นยังไม่ฉลาดลปัญญาก็ยังไม่มี ต้องอาศัยการบังคับกันเหบองกันนะบางทีไม่อยากไปโรงเรียนร้องให้ทุกวันพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปส่งเป็นเดือนๆก็มีกว่าจะปรับตัวเองได้ต่อมาก็อาจจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ขึ้นมาก็ได้นะในเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่ายังไม่รู้จักทําตามอารมณ์ไม่สนใจนะถ้าไม่มีการบังคับ นะก็ไม่สามารถจะสำเร็จได้เหมือนการภาวนาของเราเนี่ยจะให้เป็นเองเลยที่ว่าความเพียรก็เป็นเองไม่ต้องบังคับอะไรเลยไม่ต้องฝ่าฝืนสมาธิกขาตั้งมั่นอันนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นแล้วนะเป็นแล้วจิตของเรานี้เมื่อเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องเอาใส่าการฝึกก่อนอย่างเช่นว่า พระจะผสมกันตื่นตอนเช้าทาวัาสวดมนต์ภาวนานะบางทีก็นั่งฟังพระวินยัยก็เป็นภาษาเดิมๆนะบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเออก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเบื่อหน่ายทรมานพระไทยก็อาจจะทรมานไปห้าสิซตพระต่างประเทศยิ่งทรมานไปร0อยเฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่เข้าใจด้วยแต่ก็นั่งไป แต่ก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยเฉยก็ให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปบริกรรมภาวนาไปนั่งภาวนาไปด้วยนั่งดูความรู้สึกของเราไปด้วยอดทนไปด้วยอดมืออดทนไปอดทนไปจิตปรับไปแล้วเดี๋ยวก็สงบขึ้นมาได้เบื้องต้นตเราอาศัยการอดทนก่อนการบริกรรมภาวนาเราต้องอ า, อาศัยการอดทนก่อนต้องอ า, อาศัยการ บ, างรบังคับเช่นกัน นะการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเอาศัยกฎระเบียบบังคับตัวเองก่อนหรือกฎระเบียบของสังคมของวัดบังคับเอาไว้แต่เมื่อเป็นเองแล้วนี่ต่อไปรู้จักก็ไม่ต้องบังคับละถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็สวดมนต์ทำวัดทํากิจวัตรหน้าที่ด้วยความสบายนะรู้จักรักษากฎกติกาต่อมาก็ศรัทธา มันบังคับเอาไว้ก่อนต่อมาความเพียรก็ต้องบังคับเอาไว้ก่อนสติก็ต้องพยายามบังคับเอาไว้สมาธิมันก็จะเกิดปัญญาจะเกิดนั่นดหละเบื้องตน้นต่อมาถ้าเกิดเรามีศรัทธามากขึ้นแล้วความเพียรมันมีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องบังคับละจิตสงบมันก็่ห้มันก็เชื่องเออเราจะกาหนด พดโทไปคําเดียวหรือมีสติอยู่กับจิตไปมันสงบแล้วนะพอตื่นขึ้นมาแล้วนี่ในเบื้องต้นต้องกำชับกันขูเข็นทรมานเออทาให้ตื่นก็ให้ตกนรกหมกไหม้ไปเลยทํานองเนี่ยต้องให้ตื่นมาถือว่าถ้าตื่นสายกับเป็นกิเลสนิ่งเป็นพระเจ้าพระสงค์แล้วท่านต้องตื่นแต่เช้าเมากกว่าญาติโยมที่จะหุงหาอาหารมาถวาย ก็เรียก ว, ว่าต้องมีข้อวัดปฏิบัติของท่านเมื่อความเพียรของเราต่อเนื่องคือมาสติของเราดีขึ้นสมาธิตั้งมัน่นโอ้อันนี้จิตก็เป็นอัศจรรย์ว่าไม่ต้องบังคับการเดินยังกรมการนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับเราจะเป็นเองอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นเองถึงขั้นนั้นเราจะเป็นเองแล้วศรัทธามันมั่นคงดีแล้วนั่เหมือนญาติโยมนี่แหละก็มาทําบุญทําทาน เมืออต้นอาศัยศรัทธามาเดินทางมาเข้ากลบางครั้งก็มีอารมณ์รู้สึกอยากมาบ้างไม่อยากมาบ้างเพราะมันเหนื่อยมันเพียจากการงานนี่ก็น่าเอ็นใจจริงๆแต่เมื่อเราเอาชนะขึ้นมาได้ในความรู้สึกของเร า, าคือเราไม่นิ่งนอนใจชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเดินทางไปสู่ความตายนะทุกขณะทุกวันทุกเวลาอย่างนี้ เราก็พยายามสร้างคุณงามความดีของเราให้เพิ่มพูนขึ้นคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยก็จะส่งผลให้เรามีความสุขใจในปัจจุบันนี้แหละนะแม้ว่าเราจะจะไม่เห็นว่าเอ๊ะพบเทวดาอยู่ที่ไหนอยู่กี่โยทางจากโลกมนุษย์หรืออยู่อีกกี่กิโลนะแต่ถ้ามาดูในใจเนี่ย เทวดาก็ดีก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในใจนี่ใจตรงนี้สําคัญแท้ที่จริงใจตรงนี้นี่ไม่ได้เป็นอะไรนะใจตรงนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงอะไรหรอกนจิตเนี่ยมันก็เป็นสภาวะรู้อารมณ์เนี่ยไม่ได้เป็นเมื่อไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยถ้าจิตหลงสมมติก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้แท้ที่จริงแล้วจิตไม่ได้เป็นอะไรเป็นธาตุรู้ เราก็มาฝึ ก, กจิตดวงนี้ให้รู้จากความเป็นจริงแล้วก็วางวางสิ่งที่สมมุติวางความหลงเมื่อวางความหลงได้จิตมีความรู้จิตก็มีความสงบแล้วมีปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้รอบหรือความรอบรู้ขึ้นมาในกองสังขาร น, นนี้ก็เป็นแก่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา ถ้าเรามีโอกาสเราก็เดินทางไปอินเดียไปสถานที่ที่พระองค์ประสูติสรุปแสดงธรรมเสด็จดับรรนินพระรุธิพานแต่ถ้าเราเห็นธรรมะจริงๆนี่ก็ต้องเห็นในใจนะเห็น ใ, นในใจของเราถึงเราจะเดินทางไปแต่ว่าถ้าใจของเรายังไม่ได้รู้ไม่เห็นแล้วนะก็ยังไม่ไเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ถ้าเกิดว่า เรานั่งอยู่ที่นี้แหละพิจารณารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะรู้ธรรมะเดี๋นี้จะเห็นธรรมะเดี๋ยนี้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยนี่พระพาทธจ้าจัางหวะบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเกิดเห็นเราตถาคตนะคนใดเห็นธรรมบุคนัเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็มาแล้วมากราบพระพุทธรูปนะ ในเมืองไทยหรือประกาศที่เมืองกีนเมืองเนเดียก็ตามเจ้าหลวงพ่อพระธรรมเมตตานี่ยมีความสวยงามมากก็ทําด้วยวัตถุนะก็ยังงามขนาดนี้ถ้าเราคิดไปถึงพระพุทธเจ้าลราโอ้ของสมเด็จพระสัสดาสมมาของเจ้านั้นน่ะนะพูดถึงว่าคุณงามความดีของท่านจะ ง, งามขนาดไหนหมันก็พระรูปในโลกนี่ก็สร้างกันบางงามท่านนั้นเลย นะความรู้สึกที่ว่า ง, งามของคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเอามารวมกันแล้วนะนะเอามารวมกันในความรู้สึกเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังน้อยน้อยเกินไปในคนของพระพุทธเจ้าที่งามแต่ก็พอเป็นอนุสติระ ล, ลึกไปถึงคุณของท่านพระองค์นั้นได้นามว่าเป็นพระอรหันต์นะทางกายจกักเลิแล้ว มีพระหมหากรุณาที่คุณกว้างใหญ่ไปสารหาที่สุดท้ายที่มามาไ่ได้เราก็ต้องระลึกถึงในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระหมหากรุณาที่คุณเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์เดี๋ยให้พวกเราแล้วบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยบริกรรมบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนเดินทางไปใกล้ไปไกลระลึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์เลยหัวใจเราเมื่อระลึกถึงพุทโธใจก็สบาย นะบางครั้งมันปรุงแต่งอะไรไปก็ตามก็ตัดไปละไปเอามาอยู่กับพุโทโธนี่นะชีวิตนี้เราทําหน้าที่การงานแล้วส่วนหนึ่งแล้วส่วนใจเราจะมีคําบริการพุโทโธนี้กํากับจิตใจของเราไว้ให้มันสงบให้ได้เป็นหลักจะทําเลือกสวนไรนาะต่างๆอะไรก็ตามก็มีพุโทโธด้วยกํากับนะเลึกถึงคําพุโทโธนี้เป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจของเราเนี่ย ว่าจิตใจบริกรรมพุดโธรอะรพูดรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่สุดแล้วเจิดรวมเข้ามาก็มีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาในใจนี่พูดโธของจริงก็เริ่มมาอยู่ในใจของเราเนะี่ยสว่างสวัยขึ้นมานะต่อไปเนะนี่ยนี้มันเป็นสมถะกรรมฐานราลึกถึงความตายระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นสมถะกรรมฐานแล้วมีปัสนากรรมฐานจะเกิดตรงไหนนะ จิตสงบแล้วเห็นใบไม้รูปไม้มันล่วงหล่นลงมาก็โอมันมีความไม่เที่ยงเนาะชีวิตเราก็ไม่เที่ยงอย่างนี้นะเกิดความรู้สึกขึ้นไม่ได้ปรุงแต่งเกิดความรู้นะปัญญานี่เกิดความรู้ขึ้นแนละ้วไม่ได้ความปรุงแต่งไม่ได้คิดปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากความคิดในอย่างหนึ่งจะคิดแล้วให้บรรลุนี่ไม่ได้คิดแล้วให้รู้ทำเห็นทำไม่ได้ แต่เบื้องต้นอาศัยก่อนอาศัยการได้ยินได้ฟังนะจากพระทันเทศจากเทพธรรมะต่างๆต่อไปเอาไปคิดพิจารณานมะาคิดพิจารณาตามธรรมะนั้นก็เป็นปัญญาขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่จะคิดแล้วให้หายความลังเลยสงสัยไปเลยไม่ได้ไม่ทะลุไ ม, ม่แจ่มแจ้งนะต้องมาภาวนาภาวนาให้จิตสงบ จะสงบแล้วจึงรู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมานั่งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆนะเราเคยมีความโลภมีความโกรธมีความหลองอยู่ก็จะค่อยๆน้อยลงไปนะนะ้อยลงไปอาศัยการสร้างคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นอยู่นะในนรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็จะชัดแจ้งขึ้นมา แม้บ่ได้เห็นก็จะรู้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นขึ้นมาในใจออาจจะบ่ได้เห็นเลยในนรกจริงๆแต่เห็นใน ใ, นใจนี่ก็ชัดแจ้งแล้วเห็นสวรรค์นในใจเห็นพรหมเห็นนิพพานใน ใ, นใจก็ชัดแจ้งอ่นะเพราะพวกเราเนี่ยเรียกว่ามีปฏิปทาเช่นเดียวกับนักหลานท่านอานถาถมีนักกาศเศรษฐีที่เดียวที่มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีนะมันคงใน ศรัทธาในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่มันหจุสุสมดานะก็มีโอกาสได้มารวบรวมกันโดยเฉพาะว่าในวันเสาร์หน้าก็จะมีพระปาที่นะี่สำนักสงฆ์นู่นะที่เอ่อที่ดงกระบกนะนะบกนั่นแหละนานดงรบกนงตะแบกเข้าไปพระอาจารย์ก้องเป็นเจ้าว่านะจะมีพระป่าเหมือน ท่านกำลังเพนกันอยู่ในป่าในเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการจิตสงบเราจะมาพิจารณาให้ละตัวตนละวิชาตนาอุปาทานที่มีอยู่นี้ใหมดไปละความหลงเพราะถ้าเราไม่ละเราก็จะเกิดเป็นว่าตายเกิดอย่างนี้เรื่อยไปก็จะหาแก่นสารไม่ได้ชาตินหนึ่งชาตินหนึ่งเราก็เรียนมาเรารู้มาตามมืจการงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปอีก ตายจากกันไปเบญไหว้ตายเกิดไปอีกเพราะในชีวิตหนึ่งเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์การเลี้ยงดูมีดามันดาก็เป็นมงคลของชีวิตการส่งเคาะห์มุดภรรยาสามีก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมก็เป็นมงคลของชีวิตการรักษาศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตการเนิรยศสีก็เป็นมงคลของชีวิตของเรา ก็ให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างมาวันนี้ทั้งให้ทานธรรมาทานศีลฟังธรรมนะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราชีวิตของเรามีมงคลแล้วก็จะมีความเจริญทั้งด้านจิตใจถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วแม้จะมีทรัพย์อะไรมากมายก็ไม่ส่งผลให้ใจมีความเจริญขึ้นไปได้ต้องมีธรรมะค อ, คอยๆพวกเราพยายามศึกษาแล้วนะก็ปฏิบัติธรรมะนะให้เจริญกันทุกทกท่านเถิด